ถ้าท่า น, ท, านท่านก็เปรียบเทียบอุปมาว่าอะไรนะตกลุมอุจระเนี่ยถ้าใครเข้าใจเนี่ยมันมันตกแล้วมันไม่ได้เย็นเหมือนลุมอื่นๆนะลุมนี้แก๊สมันเยอะมากมันจะร้อนโอ้ยอยู่นั่นแหละเม็นด้วยก็แเอ๊ะมันมีบ่อน้ำที่มันเย็นน้ำใสสะอาดอีกฝากหนึ่งเนี่ยนะทำไงดี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 ก็เช่นว่าอย่างสกายาทิฐิวิจิกิจชาสีละพัตต์ปรามาสเนี่ยนะระ ง, งับดับไปพร้อมกับ ก, บการเห็นพระนิพพานท่านนิพพานนั้นจึงเป็นธรรมที่สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะผู้ใดยังไม่ตรัสรู้นิพพานกล่าวไม่ได้ว่าสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วเมื่อเห็นพระนิพพานจึงกล่าวได้ว่าสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วเพราะรู้นิพพานนี่แหละจึงปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วนี่นะท่านพระนิพนพานเนี่ยนะเป็นเครื่องชำระอะไร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 บุรุษที่ถูกพวกโจรคือกิเลสล้อมจับเอาไว้เมื่อทางใหญ่อันรุ่งเรืองอันจะไปยังมหาคนครคือพระนิพพานแม้มีอยู่ก็ไม่สแสวงหาทางนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของทางเป็นความผิดของบุรุษผู้เดียวก็ฉะนั้นเหมือนกันอุปมาแรกกขาบอกว่าตกอยู่ในบ่ออุจาระใช่ไหมที่ร้อนระอุการที่ไม่สแสวงหาหนองน้ําคือนิพพานก็เปรียบระหว่างทุกขสัตว์กับนิโรสัจ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 น้องน้ำคืออมตะเป็นเครื่องชัมระมนทินคือกิเลสมีอยู่บุคคลไม่ไปหาน้องน้ำนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของน้องน้ำคืออมตะฉันั้นนะบาอุจาระเป็นทุกขสัจน้องน้ำเป็นเหมือนกับนิโรสัจจะทางไปหาน้องน้ำเป็นมรขสัจจะเนี่ยนะก็แยกระหว่างระหว่างวัตตวิวัตะและทางเพื่อวิวัตะ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 คณกโมคะลานะพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้า ว, ว่ า, าข้อปฏิบัติในในศาสนาของพระองค์เนี่ยมีเป็ น, ป น, ปนไปตามลําดับเป็นต้นใช่ไหมพระองค์ก็บอกว่าใช่แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าถึงข้อปฏิบัติตามลําดับทีนี้ตอนที่สุดเนี่ยโมฆะลาคณกาโมคะลานะพราหม์ก็ถามว่าพระโคโดมก็ยังอยู่นิพพานก็มีอยู่กุลบุตรที่มามหาพระสมณโคโดมเนี่ยที่มาหาท่านเนี่ย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 ลำบากเหมือนกันเนี่ยนะหนักๆเข้าก็ล้มลุกคลุกคลานนก็เลยพอๆกันหมดคลุกคลีกันไปหมดเลยคะแน้ยุ่งต่อไปอีกข้ออุปมาของว่าอุปมาข้อนี้เด็ดขาดมากว่าอยู่ไม่ได้บวชอย่างเดียวในหน้าหนึ่งร้เจ็หย่อหน้าสุดท้ายบอกว่า เรานั้นเนี่ยครั้นคิดดังกล่าวมานี้คือท่านสุมเมศบัณดิตะนะคือพระพุทธเจ้าเล่าในฐานะตอนนั้น่ะพระองค์เป็นสุมเมศบัณฑิตเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยนะเป็นลูกของมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่่าง น, นั้นแทบจะรวยที่สุดในเมืองอยู่แล้วเนี่ยมานั่งคิดเองว่าคิดให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกว่าบุรุษผู้ชอบแต่งตัวสวยๆทิ้งซากศพที่คล้องคอเสีย ก็พึงเป็นสุขแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นอ่ะนะเราต้องทิ้งกายอันเน่านี้เสียไม่อะไรพึงเข้าไปยังมหานครคือ น, นิพพานฉันนั้นอันนี้ข้อแรกก่อนว่ า, วาทิ้งกายเหมือนทิ้งศพแขนคอข้อแรกข้อสองอันหนึ่งบุรุษสตรีถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงที่พื้นดินอันเปื้อนอุจจาระปัสสาวะแลว้วก็หาเอาใส่ชายพกหรือเอาชายผ้า ของอุจจาระปัสสาวะนั้นพาไปไหมที่แท้ก็พากันเกลียดไม่อยากแม้แต่จะดูไม่อะไรทิ้งไปเลยฉันใดแม้เราก็ไม่อะไรกายเน่านี้ควรที่จะละทิ้งเข้าไปยัง อ, อมตะนะครคือนิพพานฉันนั้นนะตอนที่ตอนหาอาหารหารานเนี่ยโอยเลือกอาหารหน่าดูเลยใช่ไตอนหนึ่งพักหนึ่งไม่แม้แต่เหลียวไปมองก็ยังไม่อยากเลยเมืั้นเพราะจะต้องทิ้งกายนี้ฉันนั้น อันหนึ่งธรรมดานายเรือทั้งหลายก็ละทิ้งเรือที่น้ำที่นําน้ําอันค่ําคร่าหมายคือว่าเรือที่สมมติว่าเรือเรือที่วิ่งอยู่ในน้ําครําเนี่ยนะแล้วมันรั่วเยอะมากแล้วน้ําคร่ำก็ไหลเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีเรือลําใหม่ด้วยทําไงดีโอ้ยยังไงก็ทิ้งอยู่แล้วใช่งไหมต้องทิ้งเรือลําเก่าที่เก่าคร่ำคร่า กลับไปเอาเรือใหม่โดยไม่อาลัยอาวรณ์ฉันใดแม้เรานี้ก็จะละทิ้งกายที่ของโสโครกไล่ออกจากปากแผลทั้ง9ก้าแผลนี้ไม่เยื่อใหญ่จักเข้าไปยังมหานครคืนนิพพานฉันนั้นแต่พูดถึงแบบโอ้ยมันเกินไปมั่งฟังอย่างเงี้ยนะตอนที่เป็นโรคซานิสพากันปิดปากปิดจมูกไม่อยากหายใจเข้าเลยนะหลายคนนี่งดการเดินทางไปหมดกลุมจะอะไรนะไม่รู้เชื้อโรคคนไหนเดินมาได้มั่งก็งไม่ทราบนะ ว่าเดินเฉียวเชื้อโรคขนาดไหนก็ไม่ทราบ พ, พากันกลัวหรือเกินเนี่ยนะมันคําพูดเหล่านี้ไม่ได้เกินจริงเราเพราะโรคา โ, โตก็คืออะไรก็คือขันห้านั่นแหละคือชื่อว่าโรคเพราะเป็นที่ตั้งแห่งโรคทั้งหลายฉันนั้นมันจะต้องจําต้องละทิ้งเมื่อวานนี้กล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วว่าอุ้ยรังเกียจกายแล้วเกินท่านไปฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมแล้วท่านไปทําอะไรเนี่ยนะมันทางออกไม่ใช่คิดว่าตายแล้วจบ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนากล่าวถึงพิษภัยทุกโทษทุกทั้งหลายก็จริงแต่ไม่เคยสอนให้ไปฆ่าตัวตายอะไรเลยและขณะเดียวกันก็เป็นคําสอนที่ห้ามสรรเสริญการฆ่าตัวตายห้ามสรนเสริญนะถ้าพระพิสูจน์เนี่ไปสรนเสริญเรื่องการฆ่าตัวตายแล้วเขาฆ่าปาราชิกด้วยนะมีส่วนเท่ากับไปฆ่าด้วยมือของตอนเนี่ยนะเพราะสรรเสริญชักชวนแห่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตายตายเนี่ยไม่ได้เลย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 เพราะฉะนั้นจึงควรที่เราจําต้องละทิ้งกรัชกายที่เสมือนมหาโจรนี้แล้วเข้าไปยังมหานครคือนิพพานฉันนั้นแห่กายที่มันเหมือนสมาโจรจริงๆเลยนะไม่เชื่อก็ลองเก็บสติตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร่างกายตัวเองไว้ให้มันเต็มที่ร้อยเปอร์เซนตเลยเนี่ยนะจะรู้ว่าโอ้โหอยู่กับศัตรูชัดๆเลยอะ่ะมันเลือกจะตีหัวมันก็ตีเฉยๆมันงงมันเลือกปวดตรงไหนมันก็ได้หมดเลยนะ แล้วแต่มันจะเล่นงานเลยนะใครที่ประสบะการณ์ที่เกิดมาแล้วบุญเก่าไม่มากเนี่ยนะจะรู้ดีว่ามันทุกแท้เนี่ยนั่งกับดูแลกายเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเหงื่อท่วมตัวไปหมดเลยลําบากแท้แล้วก็คนที่เขามีกายเนี่ยดูว่ามีใครมีความสุขบ้างไหมน้อยนักที่จะมีความสุขเนี่ยนะคนมีความทุกขเนี่ยมากจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาขับรถนั่งรถไปที่ไหนจะเห็นเครื่องหมายกาขบาตททั่วไปหมดเลยเครื่องหมายบวกแปลว่ารับซ่อมบํารุงตายนี้ <'d S 2> <au> แต่ว่ามันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกเขต ท, ทุกอำเภอเลยแหละเครื่องหม้บวกอันนี้รับซ่อมกายเนี่ยนะอู้รับซ่อมกายดูแลเพราะมันมีปัญหาเลือเกินเนี่ยนะแล้วแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะสมมติว่าใครมีฟันเนี่ยก็หมดสตังค์แล้วถูกปล้นปลูกปล้นเงินทองออกจากฟันก็เยอะมีหัวก็ถูกปล้นเงินทองออกจากศีรษะไปเยอะนะทุกส่วนนี่มันพาให้เสียตังค์หมดเลยนะเขบอกว่าเอา้าวทำงานทางานเก็บทุกวันนีเพื่ออะไรเพื <'d S 2> <'s> ่อจะได้จริงๆก็เพื่อไว้ให้มัน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 แล้วก็เดือดร้อนต่อไปร่างกายนี้มันเป็นเหมือนมหาโจรจริงๆนะแต่ถ้าผู้ใดยังชื่นชมกายผู้นั้นก็ชื่นชมอะไรรู้ไหมชื่นชมทุกข์ น, นะเพราะกายคือตัวทุกข์ถ้าชื่นชมกายก็ชื่นชมทุกข์ผู้ใดชื่นชมทุกข์คิดว่าจะพ้นไปจากทุกข์ไหมไม่หรอกเนี่ยนะมีแต่จะทุกข์ยิ่งยงขึ้นไปในคาถาพระพุทธเจ้าตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่า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 น้ำรั่วออกไปโดยที่ไม่เยื่อใยในเรือลำนั้นไม่ต้องการเรือลำนั้นฉันใดเราก็ท่อทิ้งกายนี้ที่มีเก้าช่องที่ไหลออกของสิ่งโสโครกอยู่เป็นนิดคื อ, อนะขี้ตาจากตาขี้หูจากหูน้ำมูกจากจมกูกบางคราวก็สำรอกออกจากปากเงือและเสเลจย่อมซึมออกจากกายนี้เป็นต้นนะเราจะต้องละทิ้งแล้วนะฉะนั้นเหมือนกัน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 ทำถ้าไม่มีกายจะทำอธินนาทานไหมถ้าไม่มีกายจะทำกาเมสสมิจฉาจาร์ไหมถ้าไม่มีกายจะมูสาวาต ด, ดื่มสุราเป็นต้นเหล่านี้ไหมเพราะบาปอากุศลธรรมทุกอย่างมีกายเหล่านี้เป็นปัจจัยเพราะเพราะอะไรเพราะกายเนี่ย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 บอกอยู่ในเพศนะักบวชก็เลยบอกว่าการบวชเรียกว่าเนคขัมมะสมมาวิพสนาก็เรียกว่าเนคขัมมะแต่ตัวเนคขัมมะจริ ง, รงๆนั้นคือพระนริพพานเนี่ยนี่ยบัเราก็ต้องครุ่นคิดหนาะเนคขัมมะและธรรมะเป็นที่ออกจากทุกขั้นได้อุปมาอุปมานาน า, นาประการแนะนําพูดคือเรียกว่าอะไรนะทบทวนชีวิตของตัวเองโดยรอบครอบเสร็จแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าคิดถึงปูะะ่แล้วกันเนี่บรรทบุรุษปู่ บิดาและปู่เป็นต้นนะนะบิดาด้วยปู่ด้วยปู่ของปู่ของปู่ของปู่เป็นต้นต่อไปด้วยเนี่ยนะรวบรวมกองทรัพย์ใหญ่นี้เอาไว้มันก็จริงนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาฉลาดนี่เขาทำยังไงวะอ่าคนสมมติว่าคนสุดยอดของคนที่เป็นนักปราบบัณฑิตในโลกเนี่ยนะสามารถที่จะสามารถบริหารธุรกิจกิจการของตัวเองให้เจริญรุง่งเรืองแล้วลูกอยู่อย่างสบาย อันนี้คนที่คิดถึงลูกนี่ก็ถือว่าเก่งครับแต่ผู้บริหารระดับหนึ่งก็จะคิดหลานจะอยู่ต่อไปยังไงเออหลานมันอยู่แล้วเลนมันจะอยู่ต่อไปยังไงมันคิดหนิววางแผนผังเอาไว้หลายชั่วโคตรนักแรเนี่ยนะเพื่อลูกของลูกของลูกของลูกของลูกไปเรื่อยๆเนี่ยนะโอ้วางแผนไว้ซ้อนมากบางคนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนี่นทายาตรุ่นท้ายๆมันก็เลยรับกองมรดกไว้เต็มไปหมดทีนี้พอหลายชั่วคนเข้ามาก็มี2 อ, อย่างคือผลานสักเลี้ยงเลยกับ กับเจริญกุศลแต่แบบเจริญกุศลแบบประเภทสุมเมธเนี่ยน้อยนักแลโดยมากก็เอาไปผลานอย่างอื่นใะเรียบหมดเลยเข้า บ, อบ่อนผนานักเดียวเนี่ยหมดตัวหรือถูกโกงไปถูกอะไรไปเนี่ยนะีก็เลยมาคิดว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะรวบรวมกองทรัพย์ใหญ่นี้แล้วเมื่อไปประโลกตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็พาเอาไปแม้แต่กรหาปณ ะ, ะเดียวไม่ได้บาทเดียวก็ไม่เห็นมีใครเอาไปเลยส่วนเราควรจะ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 ใช่ไหมเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับคนอินเดียคนแขกคนหนึ่งมากุตสาขายผ้าตั้งบริษัทอยู่แถวเนี่ยบ้านเรานี่ยนะกรุงเทพไฟไหม้ครอกแม่บ้านท้องแต่เตือนโอ้ยสงสารพรรยามมากก็เลยเช่าไปช่วยก็เลยเผาตายเกลี้ยงหมดเลยเนี่ยนะตายพร้อมทั้งครอบครัวและก็ทรัพย์สินหมดเลยทุ่มเทมาหมดทุกอย่างจบในกองเพลิงกองเดียวนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่าถ้าถ้าหาว่าเขาขนเอาตัวเองออกตัวตัวก็รอด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 กลับไปแถวบ้านเมื่อไหรก็ตกใจทุกทีเลยเนาะไปเห็นพวกเด็กเล็ก ๆ, ๆเนี่ยเราโอ๊ยเมืแบบ่อก่อนเราก็เป็นเด็กวิ่งอยู่แถวนั้นไงเด็กเล็กๆจะเป็นเล็กๆอยู่เลตอนนี้เราเฮ้ยทำไมพวกนั้นมันเด็กจังเลยทำ้องนาะพอมาเรียกราวกับคำแท้สะดงเลยบอกโอ้โหเนี่ยเราจะโบกมืออำลาโลกแล้วนะเนี่ยคนอะไรไปบ้างนาะเนี่ยนะก็าลาจริงๆ น, นะเพราะมันไม่มก ร, รมอะไรเลยแบไปหมดเลยไม่เอาละฟันซูเมตบัณฑิตก็เลยคิดว่าส่วนเรานี่ควรจะทําเอาไปเพื่อ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 ข้าพระบาทมีทรัพย์อยู่หลายแสนโกรธขอพระองค์ผู้สมมุติเทพปโปรดทรงดําเนินการกับทรัพย์ยนั้นเถิดยกถวายพระราชาเลยพระเจ้าค่ะพร ะ, าะพราชาตรัสว่าเราไม่ต้องการทรัพย์ยของท่านดอกท่านนั่นเองจงทาตามที่ปรารถนาเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะหาว่าพระราชาริบเอาทรัพ ย, ย์แล้วก็ปลดให้ไปบวชบอกงั้นเราไม่เอาท่านอยากทําอะไรก็ตามใจ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 หลายล้านล้านนะถ้าพูดภาษาเราก็มีหลายล้านล้านอะ่ะก็คือโกดก็10ล้านใชหลายแสนโกดก็หลายหลายอ่านะหลายล้านล้านเลยแหละมากกว่าแสดงว่ามากอะไรนะมากกว่าภาษีประเทศเราอะ่ะรวมหลายปีภาษีทั้งชาติมันก็มีแสนล้านกว่าล้านในชะล้านกว่าล้านอันนี้หลายล้านล้านอะ่ะภาษีชาติหลายปีอยู่เหมือนกันนํารวยขนาดนั้น แต่ก็บอกว่าถ้าต่างประเทศนี่บางบางบริษัทนี้ก็มีเงินมากกว่าอะไรนะมากกว่ามากกว่างบประมาณของประเทศเราอยู่แล้วบางบริษัทนะแค่บางบริษัทนะถ้าหลายๆบริษัทในโลกมานี่ก็โหขายประเทศเราก็ไม่รู้จะเท่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบบอกบางบริษัทนี้ร่ํารวยจริงๆเลยแนะอย่างอะไรนะบริษัทเครื่องเสียงกลุ่มโซนีนี่ก็มีงบประมาณมากกว่าแทบจะมากกว่าประเทศเราอยู่แล้วล่ะบางบริษัทนี่นะ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 ตกนรกด้วยไม่เอาแล้วเนี่ยนะจากแบบแบบแบบจากแบบได้บุญด้วยแล้วเรียกว่าติดตามเอาไว้ใช้ชาติต่อต่อไปได้ด้วยจะคนฉลาดมากเห็นเรือจะจมนี่ก็เรียกว่าทําประกันทําอะไรไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วงนะั้นก็เลยไปที่ไหนไปอยู่อาศัยในธรรมมิกะบรรพพศเนี่ยนะมันพศนั้นเป็นอย่างไรก็คงเป็นตอนบ่ายกันละกันตอนเช้าก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน